ผู้ที่มีชินิต5นี้ก็เป็นผู้เทวีถึงพระพุทธเน้าระสงฆ์อย่างเด็ดขาดไม่มีสาระอื่นมาเชื่อปนอเนก พ, พุทเทศไม่ถือศาสตราอื่นการถุอศาสตราอื่นเป็นอนันตริยกรรม5ท่านจัดเข้าในอนันตริยกรรม5ไม่สามารถ จะถึงพรนิพานได้โดยหนามาตุฆาขฆ า, ามันดาพิทุฆาฆารีดาปัสสะทะฆา้าพระหารโลหิตตุบาททําลายพระพุทธเจ้าถึงยังพระโลหิตห้อขึ้นไปสันทประเภทยังสงสัยแตกกับกันอัมยักษัตรตุเทศถือสาทดาอีนเรียกว่าอนันตาริยกรรมหก พระจาพิฐา น, านิอภพโภกาตุอิดัมตีสั่งเทรัตนังปณิตังอีเตนัสเทนะสุวัติโมตุพระโสดาบันย่อมถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสชนะที่พึ่งอันกเกษมไม่มีสรนะอื่นอัญญัตทุตเทศไม่ยอมถือศาสดาอื่นมาปะคนกับพุทธธรรมชง ที่นี้อันตรียกรรมห้านั้นฟายคาราว่าถ้าผู้มักจกร่วงก็จะล่วงได้แต่มาตุกขาฆ่ามันดาปิตุกขาฆ่าวิดาอรหัตค่าฆ่าปรารันโลหิตตุบาทำลายพระพุทธเจ้าถึ ง, ง, องอย่างพระโล่ิตในห่อขึ้นไปจเจ้าอันไหนแทนเอาตัดคอพระพุทธรูปแทนสมัยทุกวันนี้หรือเบียดเบียนพระปติมากรแทนหรือปูเ ชนียสถานต่างๆที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธส่วนสังฆเภทยังสงในแตกจากกันนั้นพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาทําไม่ได้มหานิกายก็ทําสังฆเพศธรรมยุธไม่ได้ธรรมยุทธก็ทําสังฆเพศมหานิกายไม่ได้เพราะเป็นคนนานาสังวาสนางฟิกซูนีนางสิขามานานางสามันเนรีทําสังฆเภศไม่ได้ พวกที่ทําสังกเพศกันได้เฉพาะมีสมานสังวสอันเดียวกันอยู่ในสีมาอันเดียวกันแล้วทําสังกเพศให้แตกออกทางและสององค์เป็นต้นไปแล้วไม่ยอมลงอบโบสถกันด้วยอันนี้จึงทําสังกเพศได้ส่วนคารวาสไม่มีหนทางจะทําสังกเพศได้แต่ทําสังฆน า, าชีได้สังฆน า, าชีคื อ, อยังไงคือมีโทษอ่อนกว่าสังกเพศ คือความเล่าลานแห่งสงฆ์ทำให้สงฆ์ทะเละวิวาดกันเรียกได้ในสังฆราชีจะเรียกถึงสังฆเภทไม่ได้ที่นี่สิ่งเหลานี้แหละพระโสดาบันท่านเคารพมากที่สุดท่านแม่ล่วงจึงเรียกว่าชะจาพิฐานานิภพโภกาตุมีดำพีสังเครัตนังกรณีตังเอเตนะสเจนะสวัสถิโมตุ อันนี้ก็เป็นลัตนะอันประยิตในพระสงฆ์คือพระโวัสดาบันสูตรนี้เป็นสูตรของพระสวสดาบันการถือพุทธธรรมสงฆ์ถ้าหากว่าเชื่อเหตุเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมลงถนัดการนับถือพุทธธรรมสงฆ์ก็ไม่เป็นปัญหาก็ไม่เป็นการยากการถือพุทธศาสนาก็ไม่ยากถ้ า, าว่ายังไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมลงได้สนิท การถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นการลำบากอยู่สักหน่อยเพราะตนเองจะขบฏตนคืนขบฏการขบฏตนคืนก็คือความสงสัยในพุทธธรรมสงฆ์และสงสัยว่ามรรคผลนิพผานไม่มีด้วยความจริงจิงมรรคผลที่ผานมีอยู่สิญห้าก็มีอยู่ตามเดิมไม่สูญหายไปไหนสิญแปดก็มีอยู่ตามเดิมศิญ ส, สมาธิปัญญาบริบูรอยู่ ไม่บริบูรณ์หรือไม่บริบูรณ์ก็ขึ้นแต่ละรายของบุคคลที่ปฏิบัติเท่านั้นหาเป็นด้วยพระพุทธศาสนาไม่ธรรมดารถเกลือจะล่วงเวลาไปถึงเพียงไหนก็ตามก็เป็นรถเข็มอยู่ตามเดิมฉันใดก็ดีทาคำสอนของพระพุทธศาสดาไม่ได้จืดจางไปทางไหนขึ้นอยู่กับผู้ที่เอาปฏิบัติออกใ้เท่านั้นดอกัวชีเล่าไม่มีแต่ขั้งพุทธการ ข้างนี้ก็มีดอกอยู่ใต้น้ําก็ใต้น้ําเต็มภูมิดอกอยู่เสมอนม้ําก็เสมอน้ําเต็มภูมิดอกเป็นตูมก็เป็นตูมเต็มภูมิดอกบานก็เป็นบานบานเต็มภูมิดอกบานเทียบกับกท่านผู้พนไปแล้วในปัจจุบันดอกตูมเทียบกับท่านเทียบกาลังหาเหลี่ยมจะพนอยู่ดอกเสมอนม้นาําเทียบ พูดถึงไตสถนนาคมยังอยู่หัวเรี่ยวหัวต่อในระหว่างพุทธชนกับพระโสดาวันดอกใต้นะ้ำถือว่าไม่มีบาปมีบุญอะไร น, น, นรกขมืดเราจะไปหาอาดีตอนาคตย่อมไม่พบพวกที่ถือว่าไม่ไม่มีบาปไม่มีบุญก็คือตกนรกขมืดนั่นเองไม่ใช่อื่นใกลเลยเพราะมืดจนไม่มองเห็น ตาปัญญาไม่มีการเชื่อพระพุทธศาสนาไม่ได้เชื่อด้วยตามตื่นข่าวไม่ได้เชื่อด้วยโลกาธิปไตยเห็นคนอื่นเชื่อก็เชื่อไม่ได้เป็นอย่างนั้นพูดถึงพระพุทธธรรมประสงค์แล้วเห็นเชื่อว่าเหตุดีได้ดีเหตุชั่วได้ชั่วอืทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเป็นอาจารและศรัทธาไม่วอกแวก ตอนไหนตนทําดีเมื่อเราลึกถึงตอนนั้นก็ไม่เห็นเหดือดร้อนในจิตในใจในผ้าไทยอะไรเลยอตอนไหนที่เราทําวิปริตชั่วตอนนั้นเมื่อเราลึกถึงก็มีความหวาดเสียวตามเหตุผลที่ทําผิดน้อยแลือมากส่วนที่นึกดีใจนึกไม่เดือดร้อนใจก็ตามเหตุผลที่เราทํามาน้อยหรือมากเหมือนกัน ท alloy, ีทนี้เหตุกับผลไม่ได้อยู่ห่างกันพอเก้าเหตุหลับผลก็มืดเหตุลืมจา fam, ่าผลผลก็เห็นเหตุจับผลก็จับเหตุวางผลก็วางเหตุพูดผลผลก็พูดเหตุได้ยินผลก็ได้ยินเหตุเข้าใจผลก็เข้าใจเหตุที่ไม่เข้าใจผลก็ไม่เข้าใจเหตุและผลอยู่ที่ไหนเหตุก็ดีผลก็ดีอยู่ที่จิตใจ ของแต่ล้วท่านแต่ละบุคคลเหตุใจอันใดที่สงสัยผลของกายอันนั้นก็นํามาให้โดยสงสัยเหตุใจตอนแน่นอนที่ไม่สงสัยผลของใจอันนั้นก็นาํามาให้โดยไม่สงสัยเจ้าเหตุเจ้ากรรมก็คือจิตใจทําด้วยใจเรียกมโนกรรมทําด้วยกายเรียกว่ากีกรรมทำโดยวาจาทำด้วยกายเรียกว่ากายกรรม ทำโดวยวายการเรียกวาชีกรรมแต่กรรมและผลของกรรมย่อมไหลย่ยอมไหลทับเหตุใครเป็นผู้สร้างเหตุขึ้นคือจิตใจแห่งเดียวเป็นผู้สร้างเหตุขึ้นเป็นผู้เจตนาเมื่อผลหลายได้จะไปอยู่ที่ไหนจะหาว่าไปอยู่ที่กายก็ยังไม่ถูกจะไปะหาว่าอยู่ที่ใจก็ยังไม่ถูกก็ไล่ลงจะหาว่าอยู่ที่วายการก็ไม่ถูก ก็ไหลลงสู่ใจทั้งนั้นห้ามไม่ให้ไหลก็ไหลห ล, ลงจะปฏิเสธก็ไม่ได้จะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่เป็นปัญหาความจริงในชั้นนี้ก็ไม่นีจจากความจริงในชั้นนี้ฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงกล่าวไว้ในธรรมปัสรดาบันว่าธรร ม, มยุตาเป็นผู้รู้จักเหตุเช่นรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์อัถัญยุตาเป็นผู้รู้จักผล ฉันรู้จักว่าสุขเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกเป็นผลแห่งเหตุอันนี้การทำบุญให้ทานบริจาคข้าวไม่ถักผักเส้นหนึ่งก็ตามจิตใจน้อมถึงพระนิพพานโดยดวนและไม่เชื่อเชื่อเลิกดียามดีไม่เชื่อเวทมนตลและคาถาทางอื่นการพระนันทั้งพวงยกเว้นไม่ยินดีด้วยไม่ส่งเสริมด้วย ห้ามปรามคนอื่นไม่ได้ก็วางอุเบกขาเอาตัวรอดเลิกดียามดีไม่มีในหัวใจพระสวสดาบัณทั้งข้ามมาแล้วทําดีเวลาไหนก็ถือว่าเป็นผลดีของกิจของใจเป็นสิริมงคลในเวลานั้นทําชั่วในเวลาไหนก็ถือว่าเป็นสิริมงคลอันไม่ดีในเวลานั้นจะดำนำ้ำทาก็ตามจะมีคนอื่นเห็นก็าตามมาเห็นก็าตามต้องเคารพ กรรมและผลของกรรมอยู่ทั้งต่อหน้าและรับหลังภูมิของพระโสดาบันเป็นอย่างนั้นพระโสดาบันเอกกับพี่จีจะเกิดขึ้นเพียงชาติเดียวเท่านั้นก็จะสําเร็จพระนิพพานพระโสดาบันเอกกับพี่ีเป็นโทสะจริตพวกโทสะจริตเก่งในทางปัญญาแต่ว่าโทสะของพระโสดาบันไม่สามารถ จะไปอบายภูมิไม่สามารถจะไปเป็นเปรตเป็นสัตติราชานหรืออสุรกายหรือทําให้ตกต่ําลงไปอีกพระโสดาบันไม่ขอดเวนผักใครพยาบาทวิตตกไม่มีกับใครวิหิงสาวิตกก็ไม่มีกับใครความตรีตรองเอามาเป็นพยาบาทไม่มีแต่ไม่โกรธอยู่ความจะเบียดเบียน ทั้งหลายก็ไม่มีเหตุฉะนั้นจึงว่าปิดอบายพะภูมิเป็นภูมิที่ประเสริฐเป็นภรมอาจารย์เบื้องต้นของพระพุทธศาสนานับวันจะก้าวหน้าถึงพระนิพพานไม่ท้อลังเลยเรียกว่าโลกุตรภูมิเรียกว่าโลกุตระ ก, กิจ ภ, ภูมิก็คือภูมิแห่งกิจแห่งใจแห่งความปรพฤติข้ามพุทธชนคนหนาไปแล้ว มีทรัพย์มีสินเต็มแผ่นฟ้าแผ่นดินภายนอกก็ไม่เท่าถึงพระโสดาบันเพราะเป็นคติอันแน่นอนนอกจากนั้นไปแล้วนอกจากนั้นที่ต่ำลงมากว่านั้นไม่แน่นอนเพราะมีหลายบางทีบางทีก็ไปสัจจรฉานบางทีก็ไปเป็นเปรดอสุรกายบางทีก็ไปเป็นเทวโลกพรหมโลก เทวโลกและภพมโลกสามารถถึงอยู่เพราะอํานาจกําลังภาวนาแต่เป็นโลกิยะแต่หมดอนิสงส์อนั้นสามารถลงมาเป็นสัตติรจชานหรืออะไรต่ออะไรแล้วแต่เหตุกรรมที่ทสร้างไว้ในพว ก, ก่อนๆคุยจะแน่นอนก็คือพระโสดาบันยัมโพลีโอแน่นอนในพระเมชมันเบื้องต้นของพระพุทธศาสนาพระโสดาบันมองเห็นภัยในวัฏฏะทงสารอย่างเต็มที่ถึงแม้จะ ใช่วัตถุนิยมสักเพียงไหนก็าตามที่หามาได้โดยบริ ส, สุทธิ์แต่ไม่ติดอยู่ในเพียงแค่นั้นทำคิดทำใจให้สูงไปกว่านั้นถ้าสัคาคามีอนาคามีถ้าข้ามทะเลก็ใกล้ฝั่งแล้วพระสดาวันโกรังโกละจะเกิดอีกสามชาติพวกนี้เป็นราคะจริตนี่แต่ราคาจริตของท่านไม่สามารถ จะไปทำกาเมสุมิชชายการใดๆ ไ, ไ, ได้ทั้งสิ้นแต่มีอยู่แต่ไม่สามารถทำได้เพราะไม่ได้บังคับอีกด้วยไม่ได้บังคับยังไงถ้าเราจะไปร่วงกาเมสุมิชชายการก็เป็นว่าจะผิดศีลท่านไม่ได้ว่าไม่ได้ลำบากถือว่าเป็นเวนเป็นภัยจริงๆแต่กิเลสยังมีอยู่พระโสดาวันก็ดีพระพัทาพานิก็ดี ถ้าเป็นพวกที่อยู่ในคารวาสก็ยินดีแต่เฉพาะสามีภรรยาของตนเท่านั้นที่จะลงเอยได้นอกนั่นลงเอยไม่ได้ความดีคนดีทำได้ง่ายความชั่วคนดีทำได้ายากความดีคนชั่วทำได้ายากความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายความชั่ว คนดีทําได้ยากกตรงกันข้ามนมองดูในวัฏฏะสงสารแล้วมองดูให้ชัดด้วยปัญญาตั้งลมหายใจเข้าออกไว้ให้ดีเห็นทั้งเกิดขึ้นเห็นทั้งแปรปรวนเห็นทั้งดับไปลมหายใจออกเข้าคือกายะสังขารคําว่ากายะสังขารก็ดีวัจจีสังขารก็ดีกิตตสังขารก็ดี เกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนในระดับไปเท่านั้นไม่มีอันใดตั้งอยู่จะกล่าวไปใหญ่ถึงวัตถุภายนอกวัตถุภายนอกก็มีหน้าที่เกิดขึ้นแล้วแปรปรวนในระดับไปเท่านั้นซึ่งเหล่านี้จะทําให้จิตใจที่เราเคยละเหลิ่มพัวพันมาคลายออกถอนออกคําว่าคลายหรือถอนก็ ค, คลายความหลงและความเข้าจะผิดของตนนั่นเอง ทีนี้ปัญญาก็มีกำลังกองทัพปัญญาก็เกิดขึ้นการภาวนาเราต้องการเดินไปทางรักไม่ต้องนึกไปถึงเรื่องไปถึงเรื่องฤทธิดเดชหรือทำนายทายทักอะไรถ้าเราเป็นห่วงเป็นใยในเรื่องฤทธิเรื่องเดชการภาวนาของเราก็ชอาปัญญาก็ไม่ค่อยจะเกิดเมื่อได้สมประสงค์ก็จะติดอยู่ ถ้าไม่ได้ ส, สมประสงค์ก็จะเสียใจเพราะปัญญายัางไม่ก้าวแล้วต้องเดินทางรัดเพราะเวลาน้อยเพราะเราต้องสร้างบาลมีสุขภิปัสสโกเราไม่ได้สร้างบาลมีเตวิชโชชละปิญโยปฏิสัมพิทัปโตเพราะบารมีนามเต็มส่วนที่ผู้พ่นจากกินิจแล้วจะพระหันจำพวกใดก็าตามมีรสชาติเป็นอันเดียวกันไม่ได้ต่างกัน ต่างกันแเทว่านิชาเอาออกใช่ในมนุษย์ผิดกันเท่านั้นส่วนรสชาติของการพ่นจากกิเลสตัณหามีระบบเดียวกันหมดนี่รสชาติอันเดียวกันไม่มีเก้าอี้นั่นเก้าอี้นี้ไม่มีชั้นวันนะส่วนที่อยู่ในมนุษย์ยังไม่สิ้นลมหายใจก็มีเครื่องเล่นต่างกันเท่านั้นมีอภิเนหารต่างกันเท่านั้น ที่อภินิหารทางปวงในบวบและพุทธศาสนาอนุสาสนปาติหาริยะมีอยู่ทุกทุกทมีอยู่ทุกทุกท่านอันนี้อาเทสนาปาติหาริยะดับใจเป็นอัศจรจะมีแต่เฉพาะบางบุคคลบางท่านอิทธิปาติหาริยะแสดงฤทธิ์ได้ก็มีแต่เฉพาะบุคคลส่วนอนุสาสนปาติหาทิยะมีอยู่ทุกๆกท่านทุกคนทีเดียว คือคําสอนที่อาศัยกันการทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วมันเป็นปาฏิหาริย์อยู่ไม่ลําเอียงแล้วนะีเรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์แล้วลองลึกนึกๆดูเถิดว่าถ้าเราเห็นชัดตอนไหนในปัจจุบันเห็นคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ชัดในปัจจุบันคุณพุทธธรรมสงฆ์ในอดีตที่ล่วงมาคําว่าล่วงในทีน่นี้ไม่ไม่ได้หมายความว่าคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ล่วงไปไหน หมายความว่าตัวของเราล่วงมาเฉยๆขันธวิบากของเราล่วงมาเฉยๆคุณพุทธธรรมสงในอนาคตก็เหมือนกันเราก็ไม่สงสัยเมื่อเราเห็นในปัจจุบันชัดแล้วที่นี่เมื่อเราเห็นความแก่เก็บตายในปัจจุบันชัดแก่เก็บตายที่เป็นอดีตและอนาคตเราจะไปสงสัยทําไมเมื่อเราเห็นอนิจจังในปัจจุบันชัดพ้อมกับลมเข้าออกโดยเป็นจากปัญจขะปั จ, จขะสิทธิ โดยเฉพาะตนเองเป็นปัจจตังเป็นเอหิปฏิโกร่องเรียกตนมาดูได้เป็นโอปัญญโกน้อมตนให้เข้าใจได้เป็นอากาลโกมีอยู่ทุกการจะมองดูการไหนก็มีอยู่กันนั่นทีนี้อดีตในตอนนั้นเราก็ไม่สงสัยอนาคตตอนนั่นเราก็ไม่สงสัยเองถ้าอย่างนั้นการตัดความสงสัย ของโยคาวจรผู้ปฏิบัติก็ไม่มีหนทางเหตุไฉ น, นจึงมีการเช่อความสงสัยได้เป็นตั้งตอนก็เพราะอาศัยธรรมปัจจุบันจิตปัจจุบันเป็นเครื่องตัดขินเพราะเป็นพยานเอกเมื่อเห็นความเกิดดับพ่อมกค์ลมหายใจเข้าออกความเกิดความดับในอดีตอนาคตก็ไม่สงสัยเมื่อเห็นสัมปทุกตั้งปวงพ่อมกค์ลมหายใจเข้าออก เขาประทุกที่ลงมาในพบ ก, ก่อนๆชาติก่อนๆ ก, ก็ไม่ต้องสงสัยจะไปในอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยมีอุบายที่จะทุ่มเทความเบื่อหน่ายครายเมาในทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันเท่านั้นนักภาวนาหวังพ้นทุกข์ในปัจจุบันในชาติต้องพิจารณายงลงอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ทันกับเวลาเวลาของชีวิตไม่ใช่เวลาของวันคืน เวลาของวันคืนไม่ได้ล่วงไปไหนดอกมีแต่มือกับสลับสว่างเท่านั้นเวลาของชีวิตล่วงไปจากวันคืนต่างหากวันคืนเอาการัตษินจริยวะมีแต่มือกับสว่างเท่านั้นหาได้มีอันอื่นมาเป็นลูกไม้ให้เราลงไม้มีเท่านั้นแล้วไปสูญหายไปไหนด้วยไปจําโลกอยู่นี่ด้วยแต่มนุษย์สัตว์ทั้งหลายผู้ที่นับอายุ ก็ดีคล้ายๆคือว่าตกไปเป็นอาหารของวันคืนเดือนปีใช่แล้ววันคืนเดือนปีกินชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมาไม่อิ่มเลยชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่สมมติว่าเป็นชีวิตเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนเราเขาตามสมมติผ่านไปผ่านไปน้อยไปน้อยไปเราเห็นชาติเป็นทุกข์ในปัจจุบันทันตาชาติก่อนๆพบ ก่อนไม่จำเป็นเราจะไปมองดูดอกถ้าเราไปมองดูไปหาพยานมาก็ค้าๆกับบกว่าเราไม่ชัดในเรื่องชาติทุกเมื่อเห็นชาติทุกในปัจจุบันชาติอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยเมื่อเห็นชาาทุกในปัจจุบันชาลาทุกในอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยทุกทุกประการด้วยความเกิดขึ้นความแปรปรวนความดับไปไม่มีระหว่างมีอยู่ทุกการ ที่ยึบเราจะมองเห็นหรือไม่มองเห็นกอดตามเป็นของจริงอยู่อย่างนั้นสารตัดสินของสังขารก็คือความเกิดขึ้นแปรปวนได้ดับไปเป็นสารยุติธรรมประจําโลกไม่ลงธรรมะไม่ลงบรนลังผู้อังพนทุกในวัฏสงสารต้องพิ่เจรณาความเกิดขึ้นแปรปวนได้ดับไปอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนพร้อมกับลมเข้าออกมาเห็นชัด จึ่งจะมีหนทางเบื่อหน่ายใครเมาในวัตาสงสารมิฉะนั้นแล้วจะเดินทางโคง้งจะไม่ถึงง่ายจะไม่ชนะความหลงของตนง่ายวัตถุนิยมเราคอยชมว่าดีอยู่แต่อยู่ในอู่และกำมือของอนิจจังทุกขังอนักจานั่นวัตถุนิยมภายนอกก็ยังเป็นของนอกอยู่วัตถุนิยมภายในคือกายของเรานี้เอง ขันธวิบากที่สมมุติว่าเราเรานี่เองเรียกว่าวัตถุนิยมเพราะนิยมใช่กันนิยมห่วงกันจิตใจก็เป็นวัตถุนิยมอันหนึ่งเป็นของห่วงใครมาแตะต้องก็ไม่ได้ถ้าไม่ถูกกับกิเลดแต่อยู่ใต้อู่ของอ น, นิจจังเหมือนกันกองนามรูปอันนี้เหตุฉนั้นพระพุทธศาสนาจึงปฏิบัติหัดปฏิบัติจิตจปฏิบัติใจ ให้มีสติปัญญาเหนือความหลงของตนที่เคยลงมาที่เรียกว่าอาวิชชานั่นเองอวิชชาแปลแล้วก็เรียกว่าความโง่ความโง่ที่ไม่รู้เท่าถึงการดองอยู่ในขันธ์สันดานของตนมานมนานที่นี่จะเอากองทัพธรรมคือกองทัพสติกองทัพปัญญาเข้าพิจารณารบกันในเมืองกิจเมืองใจไม่ได้รบกันที่อื่น ชนะก็ชนะตนเองถูกแพ้ก็แพ้ตนเองเป็นต้นตอนไปการชนะและแพ้ในทางอื่นไม่มีในทางพระพุทธศาสนาะการแพร่การชนะมีในทางพระพุทธศาสนาก็คือชนะตนเป็นต้นตอนไปถ้าถูกแพ้ก็แพ้ตนเป็นต้นตอนไปการชนะการแพร้บุคคลอื่นสัตว์อื่นนอกจากตัวของตนไปแล้วไม่ได้นำเข้า ในทางพระพุทธศาสนาเหตุฉะนั้นพญาประสิทธิ์ไปรบศึกผ่านมาเดินมาบ่นมาเราชนะแล้วเราชนะแล้วบ่นตามทางมาหรือปลื้มใจพูดตามคนทางมาในเวลาขณะนั้นพระบรมศ า, าศาสดาเดินจงกรมอยู่มหาภพพิษพูดอะไรหนอะโอ้พระบรมศ า, าศาสดาเดินจงกรมอยู่นี่นะเอออยู่นี่ละมหาภพพทษ เศร้าก็ผมไปรบศึกชนะเขาแล้วก็มีความดีอกดีใจท่องบนมาตามทางเอออันนั้นมันไม่ชนะดอกมหาบาพิษแต่ท้าคตนี้มันจึงชนะมหาบาพิษจะถูกแพ้ อ, อีกไม่นานนะชนะตนเองชนะกิเลสตนเองจึงเรียกว่าชนะในทางพระพุทธศาสนาพระมหาบาพิษ ตกลงวางอาวุธแล้วพอพาบริวารไปกราบเท่าโพพร อ, องเทศเอาจนถึงพระโสดาบันไม่ใช่นถึงเรื่องใสพระพุทธศาสนาพวกที่กิจสูงใจสูงปฏิบัติมานมนานแล้วอุบายใดๆที่จะทุ่มเทความเบื่อหน่ายคลายเมาในวัฏสงสาร จะเป็นภาษาบาดีก็าตามจะเป็นภาษาใจของตนก็าตามเป็นคนําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอุบายใดที่จะให้ละเลงพัวพันุเทเยอทยานในวัฏสงสารทางวัตถุนิยมหรือทางราบทางนรสทางสนเสริญอื่นๆแนละ้วอันนั้นเป็นคนําสอนของพญามารทีนี้ เราพิจารณาอนิจจังทุกขังอนตัตตาในปัจจุบันชัดเห็นพ้องกับลงเข้าลมออกเป็นเป้าเดียวกันไม่ใช่ว่าทุกขังจะไปอยู่เป้าหนึ่งอนิจจังจะไปอยู่เป้าหนึ่งอนตัตตาจะไปอยู่เป้าหนึ่งทุกขังอนิจจังอนตัตตาก็อยู่เป้าเดียวกันเป็นเพียงกิตวิสติปัญญาพิจารณาเห็นตาา่างไม่ใช่คนละอันเช่นแนวมืออย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้า มันก็มีห้าอยู่ก่อนแล้วมันก็มีสี่อยู่ก่อนแล้วก็มีสามอยู่ก่อนแล้วก็มีสองอยู่ก่อนนี่มีอยู่ก่อนแล้วเราจึงนับได้ถ้าไม่มีอยู่ก่อนแล้วจะนับได้ยังไงฉันใดก็ดีทุกคั้งอนิจจานัตตามีกลมเกลืนกำมีเชี่ยวสามเกลียวอยู่ในปัจจุบันแล้วเชียงกิจของเราบัญญัติต่างหากสิ่งใดไม่ที่อย่างนี้นั้นเป็นทุกสิ่งได้เป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นก็เป็นอนิจจ์ทุกขังเหมือนกันอื จะพูดกลับหน้ากับหลังก็ไม่ผิดเมื่อเราเห็นชัดในปัจจุบันอดีตก็คืออนิจจังทุกครังอนัตตาที่ล่วงมาแล้วอนาคตก็คือทุกขังอนิจจังอนัตตาที่ยังไม่มาถึงโลกอดีตโลก อ, อนาคตโลกปัจจุบันก็อันเดียวกันเมื่อโลกทั้งหลายเต็มไปในสุดาความเกิดขึ้นแปรปรวนได้ดับไปอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนอย่างนี้ควรละหรือสติปัญญาของเราจะมาติดอยู่เพียงแค่นี้ก็จําเป็น เป็นเหตุให้เราชวนพิจ น, นาบ่อยถ้าอย่างนั้นความคลายเมาในวัฏจักรงสารของเราก็ไม่มีหนทางเราไ ม, ม่มุ่งหวังว่าจะเอาหลงเป็นชะลนาะฉ า, ามิเรามุ่งหวังว่าจะเอายานมิมุตเป็นชะลนาะฉ า, ามิทาแต่ละบทบาทของพระพุทธศาสนาส่งถึงวัคพันิพัณฑ์าทางนั้นแต่อาจใสจิตใจของเราอยู่ในระดับใด เราก็น้อมทํามันนั่นมาเข้าข้างตัวเช่นบุคคลผู้เล่นเลขเล่นผาเขาก็ไปผูกเขาเล่กเอาผาเช่นบุคคลผู้ดื่มสุราเขาก็น้อมไปทางดื่มสุราของเขาสุราเมระยะไม่ใช่ประมากิกนเป็นระยะระยะไม่เป็นอะไรดอกเขาก็พูดอย่างนั้นเราก็น้อมเข้าข้างตัวเขาอืพุทธชางสรณะคชามีก็เหมือนกั น, กน พุทธทางเสนางคฉามิ home, ของพระโสดาบันราคะโทสะโมหะเบาไปแล้วพุทธทางสรนางคฉามิของพระสกทาคามีเบาไปกว่ากันพุทธทางเสนางคฉามิของพระสกทาคามีกามะราคะขาดไปแล้วพุทธทางเสนางคฉามิของพระอรหันต์กิเลสขาดไปหมดแล้วเป็นพุทธทางเสนางคฉามิเต็มภูมิ พูดถึงไตสรธนาะสายไตสะนณนาคมเต็มภูมิก็ดีผู้เรียนนมโมจบก็ดีก็คือพระละหัน์นมโมแปลว่านอบนอ้อมพระละหันนอบน้อมจนไม่มีกิเลสถึงไตสะนณนาคมจนไม่มีกิเลสถ้าพูดทับทับก็ว่าคมกริบเลยถ้าเป็นมีดหรือผ้าก็ดีทำแต่ละบทละบาทของพุทธศาสนาะ เป็นมิยานี่กระทานําสัตว์ออกจากวัฏสงสารอย่างนั้นแต่อาศัยที่กิเลส ข, ของสัตว์ทั้งหลายยังอยู่มากท่านก็พ่อนปลนหรืออนุโลมมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพมสมบัติบ้างแต่ผู้ที่เห็นอานิสงส์ของมนุษย์สมบัติและสวรรค์สมบัติทมสมบัติว่าอยู่ใต้อํานาจอา น, นิจังทุกครั้งอนาตาเกิดเส้นแปร ป, ปวรวนก็ดับไปมีความละอาราถอยแล้ว มีความพะวงที่นานาแล้วอืมไม่ติดอยู่โดยหน้าเดียวแล้วท่านก็ส่งต่อถึงพณิพานพุทธประสงค์ธรรมประสงค์สังฆประสงค์ประสงค์จะขนลื่นสารออกจากวัฏสงสารไม่ประสงค์ว่าจะให้ติดอยู่ในเพียงแค่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติภลมสมบัติเทนั้นบุคคลผู้ทำบุญแล้วปราถนามนุษย์สมบัติปราถนาสวรรค์สมบัติภลมสมบัตินั้น ก็คือคนพานคนหลงจะพาตนพานตนหลงตนให้ต้องเที่ยวอยู่เนิ่นนานบุคคลผู้ปรารถนาทนิจะพานสมบัติสิ่งเดียวอคอยพ้นทุกข์ในปัจจุบันในชาติก็เพราะเขามีกำลังเขาไปทางเครื่องเครื่องบินหรือไปทางเรวอพอทรับเขามากเขาต้องขึ้นเครื่องบินไปโดยเร็วสีเครื่องยนต์ับมากคืออะไรคือศรัทธาและปัญญามาก ผู้สรัทธาและปัญญามากก็หวังพ้นทุกข์ในปัจจุบันในชาติดยด้วนไม่รอช้าผู้นัน้นจองพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีกลางวันกลางคืนพอกรรมฐานแต่และอย่างละอย่างรวมมารวมที่นั่นหมดเพ่งรูปเป็นอารมณ์ ก, ก็ก็คือรูปกรรมฐานนั่นเองเพ่งอรูปเป็นอารมณ์ก็คืออรูปกรรมฐานนั่นเองรูปเป็นอารมณ์ก็คือรูปขัน อารูปเป็นอารมณ์ก็คือเพ่งนามขันอันเดียวกันรูปกร็รมาฐานกับรูปประโลกต่างกันอย่างไรอันเดียวกันอารูปประกรรมฐานกับอารูปประโลกต่างกันอย่างไรอันเดียวกันเกิดขึ้นแห่แผล ป, ปนในระดับไปไม่อยู่ในวงแขนของส่นานผู้ใเมื่อเห็นชัดอยู่ด้วยปัญญาอย่างนี้แล้ะท่านหรือจะพอใจในวัฏฏสงสารอันนี้บุญกิตุกรรมยตายาณก็ค่อจะพ้นไปเสียเท่านั้น แต่ที่สังขานุปัสนายานก็เดินตามทางเท่านั้นบุคคลพุนั้นจะนอนใจสบายในโลกไม่มีเพราะเห็นหนทางออกแล้วจะติดอยู่ในราบในยศในเสนเสรย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะกองทัพแก่ซาแล้วกองทัพธรรมแก่ซาแล้วเพราะไม่ไหวใจอันใดเลยมีน้อยก็ไม่ไหวใจมีมากก็ไม่ไหวใจไ ม, ไม่ไหวใจอันใดทั้งสิ้น จะไหวใจสังขารจะไหวใจยังไงเกิดขึ้นแน่กว่าแปรป่นปวนระดับไปอย่างพึงพายอยู่อย่างนั้นมไม่ละอายด้วยเกิดขึ้นอย่างไม่ละอายแปรป่วนอย่างไม่ละอายดับไปอย่างไม่ละอายพึงภายด้วยในทีไไ่ไม่รับอีกด้วยเมื่อโลกทั้งหลายหักเป็นอยู่อย่างนี้ทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันแล้วควรละหรือพวกเราทีนี้จะมานอนใจให้หลงอยู่เพียงแค่ที่เคยลงมา จำเป็นก็ต้องตะเกียบตะกายให้สูงไปกว่าที่เข้าใจมาแล้วนี่ปัญหาของมันเพราะไม่เป็นที่พึ่งกาะเกษมแค่แล้วที่พึ่งกาะเกษมก็คือพุธทธธรรมสง์ในพระนิพพานพุธทธธรรมสง์สุดยอดก็คือพุธทธธรรมสง์ในพระนิพพานนั่นเองทำสุดยอดก็คือทำพระนิพพานนั่นเองแต่พะคุณทั้งปวงในใจโลกธาตุคุณพระพุทธ คุณท่านผู้มีคุณคุณวิดามันดาปู่ย่าตาทวดปู่ทวดย่าทวดตาทวดยายทวดปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่ชายพี่สาวหรือบุคคลผู้บุคคลผู้ทำดีตลอดถึงครูอาจารย์ในทางโลกและทางธรรมไหลขึ้นสู่คุณพุทธธรรมสงฆ์หมดคุณพุทธธรรมสงฆ์ไหลขึ้นสู่คุณพระนิพพานที่สุดแห่งพระคุณทั้งหลายรวมอยู่ที่นั้น ชับสมบัติในใจโลกธาตุฝ่ายวัตถุนิยมฝ่ายโลกีเป็นชัพของพลหันทั้งนั้นเพราะเหตุใดเพราะท่านละไปแล้วท่านไม่มาแย่งพวกเราเพราะท่านสลับทิ้งแล้วค่ า, ากับเราบวัตรำลายพิ้งถึงอย่างนั้นไม่ท่านไม่อะไรนะน้ำลายเราก็บอกว่าน้ำลายท่านคนนั้นคนนี้อยู่แต่ว่าท่านไม่อะไรแล้วท่านในก็ดีทรัพย์สินมนุษย์ สมบัติสวรรค์สมบัติสมส ม, สมบัติเป็นน้ำลายของพระหลั่งที่บ้วนทิ้งแล้วแต่พวกเราต้องอาศัยอยู่เช่นก่อนเพราะยังไม่พ้นอาศัยเอาเป็นเรือเป็นแพด้วยกีวรินธบาเ ท, ทนาสนะและเพสัตถฝ่ายพระไม่ได้มาสมมุติเราเป็นใจอีกลายเป็นธรรมันแม่ตายเอามาตังค์ในพยังคาตาไายกับไข่กับแป้ง ที่เขาโม่แล้วเขาโม่แล้วโกกข้แหลกแล้วเราจะเรียกว่าเข้าอีกเราไม่เรียกชั้นไหนก็ดีจิตใจของพระลหันท่านผู้เข้าสู่อนุปาทิเสสานิพานแล้วก็เลยกลายเป็นธรรมจะมาบัญญัติววาจิตใจอีกก็ไม่สมฐานะกลายเป็นธรรมอันไม่ตายธรรมอันไม่เกิดไม่ดับเสียแล้วนักหาความสุขโศกโชนในวัฏสงสารไม่เก่งเท่าพระลหัน ไม่เก่งเท่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหาความสุขในทางวัตถุนิยมก็ไม่เก่งเท่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เก่งเท่าพระอรหันต์ทั้งปวงท่านว่ามันไม่เจอมันไม่พบมันไม่เจอะมันไม่ปรับมันไม่มีพราสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นแน่แปรปวนในดับไปเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นแน่แปรปวนในดับไปความสุขจะมาจากประตูไหนถ้าเขาว่าความสุขในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติ ผมสมบัติยังมีอยู่พระรหันต์จำพวกนั้นก็นายก็คลายไม่ได้เพราะมีที่แอบกินอยู่มันไม่มีที่แอบกินเหตุนั้นเินยามปฏิสนธิของท่านจึงไม่อยู่จึงเอือมละอาคลายถอนถอนความหลงถอนความเข้าใจผิดข้ามความหลงก้าวเดียวเลยในปฏุวัน ข้ามความหลงในปัจจุบันน่ะจิตปัจจุบันนธรรมที่เป็นลกโลกก้าเดียวเลยเรียก ว, ว่าเอกรานิมารก้าของปัญญาก้าของสติข้ามทะเลหลงก้าเดียวในปัจจุบันจะจิ้นความสงสัยตอนไหนๆตอนพระสวัสดิวันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์กรมนั้นกันก็จิตปัจจุบันทำปัจจุบันไม่ใช่จิตอดีตไม่ใช่จิตอนาคต พูดมากก็ตามพูดน้อยก็ตามฟังมากก็ตามฟังน้อยก็ตามต้องหานลงมาหาจิตปัจจุบันทำปัจจุบันโมหานก็ก็บอกของตัวอยู่แล้วบอกว่าให้หานลงมาในปัจจุบันปัจจุบันใ้จิตปัจจุบันในธรรมนี่เองจะเป็นแม่บทแม่บาตแม่ธาตุแม่ขันแปดหมื 8, 000, ่นขีพระธรรมขันรวมลงอยู่ในปัจจุบันถ้าคนเรา ถ้าไม่เชื่อสมัทธภาพในปัจจุบันเนี่ยมักจะหลงในทางพระพุทธศาสนาไม่ใช่น้อยเหมือนกันมักจะสงสัยมักจะเกิดปัญหาขึ้นในใจของตนถ้าว่าเชื่อธรรมเชื่อเหตุเชื่อผลในปัจจุบันข้อใดข้อหนึ่งแล้วก็เป็นดวงตาเห็นธรรมที่จะส่องหาพระพุทธศาสนาได้ถูกทางบุคคลผู้ไม่เชื่อปัจจุบันแกิจปัจจุบันแะธรรมนั่นเอง ทำให้สงสัยในพระพุทธศาสนาะทำให้ลูกคำเพราะความแก่ก็มีอยู่ในปัจจุบันเพราะความเก็บก็มีอยู่ในปัจจุบันเพราะลมหายใจเข้าออกก็มีอยู่ในปัจจุบัน mm. พุนพุนพนพนทธทรรมสง์ก็มีอยู่ในปัจจุบันสมควรเรียฟันหนังเหนือเอ็นกระดูกก็มีอยู่ในปัจจุบันนั่นถ้าประหาทางอื่นย่อมตื่นไม่พบผู้เคยภาวน า, าอะไรก็ต้องเอาอันนั้นลง เคยภาวนาพุโทโธก็ต้องเอาพุโทโธอาจารย์เดิมเคยภาวนาอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เอาตามตามเดิมขอให้ทําให้มากๆาขอให้ทําให้ยิ่งยิ่งให้ติดต่อด้วยภาวิตาพาเฮรีกต า, า, ตาทําให้มากนังวัฏจันตะตันติอภิญญานิพพ า, ายะโพธิยาจะถึงพระโพธยยิญาณคือพระนิพพานเป็นแท้อเอเกนิบาศขอให้ทําให้มาก ติดต่ออยู่แม่น้ำคือบุญสี่ประการท่านพูดบ ว, ว่าบุคคลพูดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แน่นแล้วและมีสีห้าบรีบุญแล้วบุญทั้งหลายย่อมไหลมาเรียบเหมือนแม่น้ำคือบุญสี่อย่างเพื่อควาสะสมบุญอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืน บุคคลผู้เป็นสัมมาทิฏฐิเชื่อกรรมและผลของกรรมก็อันเดียวกันย่อมได้บุญอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนบุคคลผู้ถือว่าไม่มีบาปมีบุญก็ต้องมีบาปไหลเข้าสู่ใจอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนบวกเทวีคูณเทวีไปเหมือนกันถแค่วเวลาของพวกเราก็มีน้อยเป็นที เวลาหนึ่งหนึ่งของชีวิตก็หายใจเข้าเวลาหนึ่งหนึ่งของชีวิตอีกก็คือหายใจออกเรานนั้นมนีเวลาอยู่เท่านั้นถ้าเข้าแล้วไม่ออกก็สมมุติกันว่าตายตายถ้าออกแล้วไม่เข้าก็สมมุติหลักกาว่าายตายเนี่ยฉะนั้นพระบรมศาสาศราจึงทรงเสนว่า ก็มาฐานสี่สิพองเป็นนอกของอานาปานาสติคือลมให้ใจเขาออกอาณาปานาสตินี้มีแต่ทางพระพุทธศาสนาสิ่งเดียวศาสนาอื่นๆไม่มีเลยการพิ่เรณากายเป็นอารมณ์ผงผลเล็บฟันนั่ง เ, เอียงกระดูกก็เหมือนกันมีแต่พระพุทธศาสนาเทนั้นศาสนาอื่นไม่มีธรรมาก็น่าเห็นใจพวกท่าน ที่ปีนปายซึ่งเขาลงห้วยมาไม่ใช่เล็กๆแม่น้อยเรื่องที่มานี่เป็นเรื่องใหญ่โตหห ว, วาฐา น, นทางไกลเหลือเกินอุตส่าห์กันพากันมาโศกโรนนึกเข็นใจเหมือนันกันผ่านอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นทางก็ไม่สะดวกทางแปลวัาลงปูมหามสะดวก แต่ว่าไม่สะดวกการเข้าหาท่านองค์ท่านเพราะแขกมากต้องตั้งคิวกันอันนี้เข้าหาง่ายแต่ว่ามาลำบาก <ś mauv> <Campus. S 1> แต่ว่าเป็นยุคที่รุ่นรัตตันโยรุตราวีนานเท่านั้นเองอก็อยู่ไปตามภาษ า, างงพิ้งเงียไปอย่างนั้นหละก็ไม่รู้ชาปรากฏอะไรหรอก ในทุกใมวัตฏสงสารอันนี้อาจจะมานึกว่าผ่านมามากเหลือเกินมองดูข้างหล่าหน้าตาจะไหลเลยที่ผ่านมาผ่านโศกโศลเหลือเกินมาอยู่นี่ก็เป็นพระกรรมฐานก็ไม่มีสง่าราศีกับท่านผู้อื่นปีนป่ายขึ้นเขาลงห้วยหามน้ำ โลกโซนดูติด ต, ต่อกันที่นี่จนถึงยี่สิบสี่ปีแล้วทุกในโลกนี่ไม่เท่าอาจจะมาหรอกพวกคุณอยู่ในเมืองในนอทางวัตถุนิยมก็ดีสบายอยากอะไรก็ไปชื่อที่ตลาดชอบรถคันไหนก็ขึ้นหรือว่าตนมีก็ขึ้นไป แต่จะลำบากสักเพียงไหมก็ตามก็พอใจอยู่เพราะเห็นภายในวัตาทสงสารไปจาวันไปจําคืนอุตสาเอาตนรอดอุตสาเอาตนพ้นจากโทษยังดีกว่าอุตสาที่จะเพิ่มโทษของตนให้ท่องเที่ยวในวัตาทรสงสารนานทาอะไรก็ทําให้ตนทั้งนั้นทําดีก็ทําให้ตนทําชั่วก็ทําให้ตน คำว่าตนเป็นสมมุติอันจริงจังในสมมุติฐานตัยับคำว่าอนัตตาเป็นธรรมรุ่นลุ่มลึกกว่าคำว่าตนเพราะเป็นจริงตามปรมาถะตามธรรมลึกจะปฏิเสธอัตตาอนัตตาไม่ได้อัตตาก็ดีอนัตตก็ดีไม่มาเป็นสงคารามโลกโลกโกดหลวงดอก บุคคลที่ไม่รู้เท่าอัตตาและอนัตตานั่นเองเป็นสงครามตนเองเป็นสงครามความหลงของตนเองถ้ารู้ตามอัตตาอัตตาก็ส่งขึ้นให้อัตตาเสียอนัตตาก็ส่งขึ้นให้อนัตตาเสียไม่มาไม่ไม่เอามาเป็นสงครามกันก็หมดเรื่องกันเพราะอันหนึ่งจริงตามสมมุติอันหนึ่งจริงตามประมรจะปฏิเสธไม่ได้ เราเขาสัตวบุคคลกเหมือนกันจริงตามสมุติสิ่งที่ไม่ใช่เราไม่ไม่ใช่เขาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลจริงตามประมาัดเพราะ ท, าทำฝ่ายนี้เป็นทำฝ่ายลึกทำฝ่ายสมุติเป็นทำฝ่ายตืน้นตื้นเราก็รู้จักลึกเราก็รู้จักแต่เราไม่หัดให้ติดอยู่ในตื้นในลึกอัตราเราก็รู้จักตามจริงของอัตราอนัตตาเราก็รู้จักตามจริงของอนัตตาอาดีตเราก็หัด ให้รู้ตามเปจริงของอดีตอนาคตปัจจุบันก็เหมือนกันแต่ไม่หัดให้ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสามคำว่าอดทนก็ลดพ้นจากความหลงของตนไปเป็นตอ น, ตอนจนถึงสุดท้ายท่านผุ้พ้นไปแล้วไม่มีปัญหาอะไรจะมาสอดแทรกในขีตของตนให้ได้แก้เลยเพราะไม่มีการหนักใจในปัญหาที่จะสอดแดทรกตนเองถ้ารู้เท่าทันเทียมถึงหมดพาะคุณก็เดินมา ลกล้เหลือกินที่นี่การพักที่นี่คุณซับขูของสัตว์ทั้งหลายไม่ได้เป็นที่ไหวเป็นที่เก่าของสับทั้งหลายแต่ว่าจำชาติไม่ได้พระบรมศาสดายังพูดในอิติวุติกะว่ากระดูกของพอสั้นทั้งหลายจะเก็บไหวเก็บไหวเพียงแมมือเดียว ก็ใหญ่กว่าภูเขาที่นีโนราดถ้ามาให้อันตราธานหายไปท่านจะไปหาผู้ที่ไม่เคยเป็นพ่อผู้ที่ไม่เคยเป็นแม่ผู้ที่ไม่เคยเป็นญาติเป็นมิตรหาเกือบไม่มีแล้วไม่ชาติหนึ่งก็ชาติหนึ่งทัานพูดอย่างนาี้สดาผู้ที่ไม่เคยเป็น ปู่ทวดย่าทวดตาทวดยายทวดปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่สาวนี่น้องสาวลูกสาวหลานสาวเหลนสาวนี่พี่เขยพี่สะใภ้น้องเขยน้องสะใภ้ลูกเขยลูกสะใภ้หลานเขยหลานสะใภ้เหรินเขยเหรินสะใภ้ผู้ที่ไม่ได้เคยเป็นบุตรีบุตรา ผู้ที่ไมไ่เคยเป็นป้าเป็นลุงเป็นอาเป็นน้าและเป็นมิตรเป็นสหายและเป็นเครือญาติจะหาได้ยากในโลกนี้ไม่ชาติหนึ่งก็ชาติหนึ่งละพระบรมศาสดาพูดหน้าสังเวชเยอะเกินทันเทศท่านทลายเคยในได้ผ่านแก่ผ่านเจ็บผ่านตายมา <c oughs> นับแต่ที่ถูกเขาเฉือน ่วนมรณะภาพด้วยชราภาพหรือเป็นไข้เป็นหนาวหรือโรคต่างๆอันอื่นไม่นับแต่ที่ถูกเฉื้นเลือดเฉื้อนเนื้อของพวกท่านทั้งหลายและเราตถาคนก่อเหมือนกันเลือดต้องมากกว่ามหาสมุทรสี่มหาสมุทรแต่ละคนละคนถ้าเก็บไว้มาให้หายไปไหนท่านพูดอย่างนั้นส่วนที่มรณภาพด้วยชราภาพ หรือรวลกชาลาเนะี่ยก็นับไม่ไหวอีกท่านพูดอย่างนั้นท่านทั้งหลายจ ง, งทงทาสังเวชเถิดการท่องเที่ยวในวัตดสงสารเป็นอย่างนี้นี่นับแต่ชาติเป็นมนุษย์นะถ้าเป็นสัตว์ชีวิฉานยังมีอีกนกะพวกคุณพวกเธอพวกท่านท่านยังพูดไปอีกท า, ทาทั้งหลายมีอยู่แล้วเกิดแกเก็บตายก็มีอยู่แล้ว เราไม่ได้เต่งอันนี้จัง rockets. ทุกคังอนัตตก็มีอยู่แล้วนะไม่ได้แต่งความเกิดความดับความอะไระทั้งปุ๊บทั้งปวงเราไม่ได้แต่ง ม, มีอยู่แล้วเราเอาสติปัญญาของเราพริจารณาตามเป็นจริงเพื่อให้หนายเพื่อให้คลายเพื่อให้คนเท่านั้นเพื่อมาให้เราหลงเท่านั้นให้เรารู้ตามเป็นจริงถ้าเรารู้ตามเป็นจริงตอนไหนความหลงของเราก็าถอยออกถ้าเราไม่รู้ตามเป็นจริงตอนไหน ตอนไหนๆตอนนั้นๆความหลงของเราก็ไม่มีหันทางจะถอยออกอดีตอนาคตมันเป็นเรื่องนิทานของขันธวิบากที่ล่วงมาหรือที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันมันมีตัวจริงอดีตที่ทำดีเราก็ทำไปแล้วที่ทำชั่วเราก็ทำไปแล้ว อนาคตจะทําดีเราก็ยังไม่ได้ทําจะทําชั่วเราก็ยังไม่ได้ทําปัจจุบันนี้เองจะทําดีก็ทําได้จะทําชั่วก็ทําได้อดีตอนาคตอดีตหมายความว่ามีเงินอยู่แต่ใช่ไปแล้วอนาคตแปลว่ายังไ ม, ไม่ได้รับปัจจุบันก็ต้องมีอยู่ในปัจจุบันมีทั้งตัวเงินมีทั้งบัญชีด้วยปัจจุบันอนดีตมีแต่บัญชี อนาคตก็มีแต่บันชีพออยายางไมมาถึง